ขอความเจริญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิญาณในวันนี้คงจะพูดถึงข้อความโดยสรุปในทเวทวทวิต ก, กสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยทรงเล่าถึงสมัยที่เป็นประโพธิสั์อย่างไม่ได้สัจสรูทรงแยกวิตตกออกไปเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือฝ่ายอกุศลกลุ่มหนึ่งก็คือฝ่ายกุศกล ฝ่กุศลนั้นก็พยายามมองให้เห็นโทษแล้วก็มีความต่อเนื่องหมายความตั้งขืนคิดอย่างนี้นอกจากจิตใจร่าร้อนแล้วถ้าพูด อ, ออกไปทําออกไปก็จะเบียดเบียนตุนเองเบีเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแล้วผลก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆก็จะติดตามมามันก็ทําให้บ่ายหน้าไปสู่ความทุกข์มากจริงขึ้นแทนที่จะไปสู่ผลซึ่งต้องการก็คือพระนิพพาน ความพยาบาทความเบียดเบียนก็สูงคิดโดยทำหนองเดียวกันแต่ว่าในด้านของกุศลวิตุกโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างจริงๆก็ส่งใช้โครงสร้างเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวกุศลตัวอกุศลให้เป็นกุศลด้านนั่นเองแล้วก็เล่าถึงข้อความว่า พิสุตทั้งหลายพิสูตตึกตรองตามซึ่งอารมณ์ใดๆมากจิตยอมน้อมไปโดยการอย่างนั้นถ้าตรึดตามตรองตามซึ่งความวิตกมากหมายความวิตกวิจารนะตรึดตามตรองตามเนี่ยเลยเอาทางวิตกวิจารณเพราะพวกนี้ที่จริงมาเป็นทางเกิดสมุ ท, ทยัยเป็นทางเกิดกิเลสหรือไปทางดับกิเลสก็ได้ก็แล้วแต่ วันแต่เราไปศึกษาในพระสูตรที่ทรงแสดงโดยละเอียดเช่นมหาสติปัฏฐานในสูตรตอนที่ว่าโดยสมุทัยก็ตอนในว่าโดยนิโรธเนี่ยพวกวิโ ว, วิจารณ์เป็นทางเกิดก็ได้เป็นทางดับก็ได้หมายควาวมาถ้าไอ้ตัณหามันจะเกิดก็เกิดตรงเนี้ยถ้าจะดับก็ดับกันตรงเนี้ยเช่นสมมติว่าตัณหาในรู ป, ปรตัณหาเนี่ยมันเกิดทางรูปเราทางตาเห็นแต่ปัญญามันเข้ากำกับมันมองเห็นโทษ ตัณหาตรงนั้นมันก็ดับตัณหาในรูปนั้นก็ดับแต่อาจจะคว้ารูปอื่นต่อนะเพราะว่าธรรมดาใจก็เป็นอย่างนั้นเองก็เป็นนั้นว่าจะละเนคขมาวิตกเสียหมายความว่าใจเป็นเหนี่ยวนึกตรึกนึกคือคือพวกนี้อย่างที่เคยบอกนะว่ามันเป็นทวิภาวะแต่เรเทียบเคียงขวายอากุศลเป็นร้อนขวายกุศลก็เป็นเย็น ทีนี้ถ้าเราเพิ่มปริมาณความร้อนขึ้นมามากมันก็สลายความเย็นในตอนนอนตรงกันข้ามคือถ้าเราเพิ่มความเย็นขึ้นมามากเนี่ยนอกจากเขาแสดงสถานะของเขาเป็นความเย็นแล้วก็จะทําหน้าที่สลายความร้อนในแก๊สเราด้วยพวกอกุศลกุศลฝ่ายรัศมมก็เหมือนกันหายความาถ้าใจเราไปนดี่ยวนึกสึกนึกในเรื่องการ ม, มากเลขธรรมะมันก็อ่อนลงไม่มีกำนังคือไม่คิดอ่ะมันจะมองในมุมใดมุมหนึ่ง คือลักษณะการต่อสู้แบบชักขยออย่างนี้ตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยคือพระเทระรูปหนึ่งที่ชื่อพระจิตตหัตกะคือเข้าใจว่าเป็นเนมิตกนามเพราะว่าท่านประพฤติไราตามความคิดของท่านอยู่นานนะ น, นะคือท่านมีฐานะยากจนครอบครัวของท่านยากจนแล้วก็อยู่รู้สึกอยาอยู่กับแม่ยายนะ แล้วก็มีพัญญาแล้วก็มีแม่ยายจะมีพ่อตาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะในเรื่องนี้ปรากฏชื่อเปปรากฏตัวคนเพียงสามคนในนั้นเองก็ไปพบเห็นพุกธสุก็อยู่ดีกินดีก็อยากจะบวช ด, ด้วยว่าตัวเองทํางานแทบตายยังสู้พระไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องการจะบวชเพื่อให้ได้อยู่ดีกินดีแต่พอบวชแล้วเนี่ยระยะหนึ่งบอกพออยู่ดีกินดีขึ้นมาเนี่ย มันก็คือคิดถึงพัญญาเลยก็ศึกศึกแล้วไปเจอภารกิจต่างๆเข้ามาก็บวชบวชแล้วก็ศึกศึกก็บวชบวชศึกศึกบวชทีเนี้ยเจ็ด ค, ครั้งเจ็ดคราอลไรกันแล้วในที่สุดพอถึงครั้งสุดท้ายคือว่าศึกไปครั้งที่เจ็ดเนี่ย น, นะฮะศึกไปครั้งที่เจ็ดเนี่ยก็ ไปทํางานตามปกติของสามีแล้วกลับมาจากงานพัญญาท้องแก่แล้วนะฮะเที่ยวสุดๆเที่ยวไปทเที่ยวมาอยูา่านี้พัญญาเกิดท้องแก่และก็เลยก็มาจากที่ทํางานเข้าไปในบ้านเพื่อจะเอาผ้าก็าคงจะเป็นผ้าอะไรเนี่ยผ้าขาม้าคลบ้านเราเกืผ้าผ้าขาวม้านะผ้าที่ใช้เจ็ดหน้าเชตาอาบน้เอาท่าเนี่ยก็เรียกผ้าอะไรของเขาก็ตาม ไปเห็นพัญญากับมังนอนหลับล้วกกลุ้เสียงลั่นน้ำลายไหลเขาก็ยืนพิจารณาในคำว่ามันขึ้นมาเลยนะฮะพัญญามันขึ้นกลับมาปัญญามันกลับมาพิจารณาก็มองเห็นว่าเออเราเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาก็เพราะร่างกายอันเปือ่อยเน่านี้เองวิ่งไปวิ่งมาอย่างเนี้ยสร้างประวัติศาสตร์นะฮะบทเจ็ครั้งศึกเจ็ดครั้งเนี่ย แต่ในสุดก็พิจารณาโดยอนิจจานุปัสสนาแล้วสุภาษัญญาก็มองเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายซึ่งก็นำลายมันไหลให้เ ห, ห็นนอนกล น, นอนคลางมันก็ศพขึ้นนะหมายความว่าคนท้องแก่อยู่ด้วยมันก็มองอีกมุมหนึ่งนะฮะแต่ในสุดก็จเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเป็นประโสดาบันยืนดูอย่างเงี้ยยืนดูเมียซึ่นอนหลับอย่างเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ เดินทางไปแม่ยายชักสงสัยไว้กิริยาอาการมันผิดไปเยอะเลยพอลูกเขย อ, ออกไปตัวเองก็เข้ามาดูข้างในเห็นลูกสาวอย่างนั้นแม่ยายนิเชื่อแล้วว่าลูกเขยไม่กลับลก็ปุกลูกสาวขึ้นมาก็ดุด่าเป็นการใหญ่ลูกสาวก็เชื่อมั่นอะไม่เป็นไรแม่ปรเดี๋ยวก็มาไม่กี่วันหรอกแกก็เป็นแกอย่างนั้นนะปล่อยแกไปก็ไม่ติดใจที่จะไปตามมาได แกไปถึงขอบวชแจ้าก็ดีที่ว่าตอนท่านบวชเนี่ยท่านประพฤติตัวดีไม่สร้างปัญหาอะไรให้แก่หมูนะ่คณะแกวัดตารามเพื่อนก็ให้บวชโดยก็คิดว่าอีกไม่กี่วันแกก็สึกอีกนั่นแหละตอนนี้ไม่สึกไงมันเบนเพียนไประยะหนึ่งก็บรรุมปรินเป็นพระหรันเพื่อนก็สงสัยว่าท่านจิตาลืมทางไปบ้านแล้วเหรอบอกว่าเมื่อก่อนมันมีเหตุให้ต้องไปก็ไป เดี๋ยวนี้เหตุอดไไปไม่มีแล้วก็ไม่ต้องไปเพื่อนก็ว่าท่านอวดอุตริมนุษยรร์ระทำก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสารงว่ามันเป็นความจริงคือเมื่อก่อนท่านมีกามคุณนะฮะคือวัตถุกรมรมรายใหญ่นวัตถุกรรมคือตัวพัญญาเนี่ยเป็นตัวหลักดูดท่านออกไปจากวัดตั้งเจ็ดครั้งแล้วก็เอาก็จริงก็ตัวพัญญานั่นแหละ แบบวันมองโดยปัญญามันเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนโมหะมันมากโมหะมันมากกามวิตกมันก็มากพรปัญญามันเพิ่มเนคขมะวิตกก็เพิ่มในสุดก็ออกจากกามมาได้ออกก่อนนะฮะออกก่อนที่จะออกมาบวชที่ซ้ํำไปเพราะว่าท่านบรรลุมรรคผลเป็นสุระบันได้แล้วก็เป็นตัวอย่างแล้วก็พระเจ้าอย่างเราสั่งเล่าว่าองค์นี้เขาติดอย่างนั้นแหละเป็นการคล้องติดในอารมณ์ทั้งหลายแล้วสั่งเล่าถึง กุณธารัณฑิตเป็นบัณฑิตก็เรียกบัณฑิตจอบเชี่ยนนะฮะคือท่านอยากจะบวชแต่ก็เป็นห่วง้ชีวิตของนักบวชการกินอยู่แบบนักบวชหรือสีชีพไรในกินปศุไม้ใบไม้อะไรแต่อะไรอยู่เนี่ยมันรู้สึกเสียดายรู้สึกเป็นห่วงเพราะงั้นก่อนจะบวชท่านก็เอาจอบเชี่ยนอันหนึ่งแล้วก็เสื้อผ้าชุกระวาลเนีย แล้วก็พันพืชไปเก็บเอาไว้พอถึงฤ ด, ดูปลูกแก่ก็สึกออกมาจากการปลูกเออก็เก็บเกี่ยเสร็จแล้วก็ไปบวชพอถึงฤ ด, ดูก็ออกมาอย่างนี้อีกอะเจยาไปที่มาอย่างนี้มาถึงรู้สึกด้วยตัวเองเอ๊ะมันอะไรนะเราเนี่ยเรื่องขนาดนี้ยังละไม่ได้แต่เพราะตัวการเนี่ยมันคือจอบเขี้ยนไกน้พันลูกเดือยเนี่ย แล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเก่านะที่จริงเยก็ดึงเราออกมาหวังก็จับไปสามอย่างเนี้ยมัดรวมกันได้ไปยืนริมฝั่งแม่น้ำของคาหมุนตัวนะฮะมุนตัวหลับตาปีมุนตัวเลยคว้างลงไปลงในแม่นม้ําแล้วก็หลับตานิ่งอย่างนั้นเนี่ยจนแน่ใจว่าคลื่นจากการตกของไอ้จอบกับเม็ดพืชเนี่ยไม่ปรากฏแล้วเนี่ยก็ลืมตาขึ้น ตัดสินใจเด็ดขาดทีนี้มันไม่มีอะไรท่านก็สามารถเจริญทมใด้บรรลุฌานไปได้พลั้งภาพจิตอย่างนี้ลองสังเกตว่ามันเป็นการชักกระเยอะกันอยู่ตลอดระหวังความพยายามกับความไม่พยายามอย่างเนคขมะกกับการระหวังวิหิงสากับอะหิงสาเนี่ยือกับกับอหิงสาเนี่ยวิหิงสากับอหิงสาะ มันจะต่อสู้ไม่ชักก็เยอะกันบางทีก็ต่อสู้กันค่อนข้างแรงแล้วก็ก้ากึ่งบางทีก็ฝ่ายหนึ่งก็ชนะเพราะเวลาการพูดเวลาส่งสอนในบางทีพูดถึงละบาปบางทีพูดเกี่ยการบำเป็นบุญบางทีก็เจริญกุศลละอกุศลก็แล้วแต่นะพวกนี้ก็คือฝ่ายหนึ่งก็เป็นอกุศลกันึ่งก็เป็นกุศล ก็ทรงรับสัง่งเรืงการต่อสู้ของกิเลสเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าฝ่ายอากุศลก็ให้โทษชัดเจนกว่ า, ากุศลก็ให้คุณชัดเจนแล้วก็ทรงเทียบเคียงว่ามันเหมือนกั บ, บรดูศาสตร์คือท้าแห่งดูฝนนะครนเลี้ยงโคต้อนฝูงโคไปในที่แคบพระเต็มไปด้วยหญ้า เขาต้องตีต้อนห้ามการฝูงโคจากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้เพราะขอหโทษคือการถูกการถูกประหานการถูกจับกลุมการถูกปรับหมายการถูกตีเตียนเพราะข้าวนั้นเป็นเหตุคือมยวกับวาว่าไป ต, ต้อนโคไปเหยียบข้าวเขาอ่ะผลการต้อนโคในกรณีนั้นก็ต้องต้อนให้ชิดขันนาไว้ไม่ให้เดินลงไปเหยียบข้าวเขาซึ่งอาจจะต้องตีโคโคอาจจะต้องบัดเจ็บ ก็รับสั่งว่าถึงเราก็ฉันนั้นได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเร็วสามเศร้ามองของกุศลทั้งหลายเห็นนนิสง ก, การออกจากกามแต่าการผักไควเป็นความผักไควแห่งความผ่องแผ้วของจิตนะแห่งกุศลนธรรมทั้งหลายและเสร็จแล้วก็ทรงยกเอาพวกกุศลทั้งสามขึ้นมาพิจารณา พิจารณาไปพิจารณามาก็เห็นคุณค่าแล้วในที่สุดก็เพิ่มเพิ่มพวกพวกกุศลนิรานให้มา ก, กขึ้นแล้วในที่สุดพอถึงจุดหนึ่งคือคุมเ้าเรียกว่าคุมคุมจิตเนี่ยคุมจิตให้มันเดินบนเส้นทางที่ที่ต้องการได้ทรงอุ ป, ปมาว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับระดูที่ระดูสาสตร์นแหละว่า ที่เราเจอบ่อยนะอย่างที่ไปอบรมนักเรียนที่วัดวัดปูก่แก้วเนี่ยปัญหาพวกเนี้ยพวกพวกเมื่อยจิตอ่อนเพลียจิตอ่อนเพลียจิตก็ห่างจากสมาธิมันจะเป็นเป็นอาการอะไรเนี่ยปวดเมื่อยเหน็บชาอะไรต่ไรจิตมันก็ห่างจากสมาธิเราจึงได้ดํานินจิตให้หยุดอยู่ในภายในหมายความว่าอยู่กับกุศลม่ตกเนี่ยข้อใดก็ตามอยู่ด้วย เด็กมวิตกก็ได้อัพยาบาทวิโตกก็ได้แล้วเอาบงสาวิตกก็ได้กระทาให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้ด้วยหวังอยู่ว่าจิตเราอย่าฟุ้งขึ้นมาเลยดังนี้วิธีรมเนี่ยก็บอกว่าพิสูจน์สึกองตามถึงอารมณ์ใดๆจิตจอบน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นถ้าสึกถึงเนคขม่ามากก็เป็นนั้นว่าละกามเสีย กระทำแล้วอย่างมากซึ่งเนคขมาวิตกหมาความบารมีเพิ่มจึกนึกถึงโทษของกรรมเนี่ยจิตมันก็ถอนจากพวกพวกกรรมวิตกแล้วก็มาอยู่ด้วยเนคขมาบารมีสึกถึงความพยาบาทความไม่พยาบาทพูดง่ายว่าเมตตานะที่จริงตรงตรงนี้แต่ว่าพูดระดับเว้นไปก่อนคืออพยาบาทก็คือเมตตานั่นเอง เพียงแต่ว่าในบาลีระดับอภิธรรมเนะี่ยเขาเรียกอาโ ท, าทสัเจตสิกคือแทนที่จะเรียกเมตตาเนะี่ยเขาไม่เรียกเขาเรียกอาโ ท, าทสัจเจตสิกแต่ว่าภาษาธรรมารู้จ่าจะใช้เมตตานะี่ยจะใช้เมตตาบาหมายความจเจริญเมตตาก็มองสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์มันก็ทําหน้าที่ไปละพยาบาทคือเข้าเป็นข้าศึกกันโดยตรงก็ทํานองคล้ายๆครับ โกิเลตเป็นความมืดธัมมะเป็นแสงสว่างนะพอแสงสว่างเกิดความมืดมันก็ถูกกระจัดออกไปทีนี้ถ้าถ้าเรามาตึกนึกถึงความไม่เบียดเบียนคือสรุปทั้งสามข้อแนะ่สะสนึกถึงถึงกุศลอยู่มากเนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งก็เปรียบเหมือนกับในท้ายฤดูร้อนนะฮะเข้ากล้าทั้งหมดเนี่ยเขาขนนําไปบ้านเสร็จแล้วคนเลี้ยงโคก็สามารถเลี้ยงโคได้โดยเขาไปพักใตร้ร่มไม้หรือกลางแจ้ง ทำความกนดว่านั่นฝุ้งโคดังนี้ก็พอแล้วคือปล่อยโคไปตัวเองก็นั่งสบายๆเพียงแต่ว่าดูว่าโคของเราอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเท่านั้นเองจิตใจของเราที่จเจริญมาจนถึงระดับสงบจากอกุศูมิตกก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจิตมันมีพลังมันมีความเข้มแข็ง มันแคจัดสิ่งนี้ตรงกันข้ามกับตนออกไปได้แล้วก็จิตใจของบุคคลผู้นั้นก็สงบอยู่ด้วยกุศลตรงข้อนั้นก็แล้วแต่ว่าโดยจเจริญก็อใดแต่ที่จริงถ้าสงบอยู่ด้วยกุศลมันก็กุศลทั้งหมดก็อยู่นั่นแหละเพียงแต่อะไรก็เด่นหมายความกุศลก็ถูกลาไปทั้งหมดนั่นแหละคือเวลาเวลาดูจริงๆเนี่ยพวกนี้เขาเกี่ยวเนื่องถึงกัน ลองสังเกตว่าความใคร่ในวัตถุใดนะฮะความพยาบาทก็เกิดในเรื่องนั้นเพราะเรื่องนั้นไม่ใช่ในเรื่องนั้นแล้วก็อาจจะเกิดในเรื่องนั้นก็ได้นะฮะเช่นรองพวงเมียทะเลาะ ก, กันเพราะถึงห่วงเราสังเกตนะฮะทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นที่รักของกันและกันแต่บังเกิดถึงห่วงแล้วก็กลายเป็นโทสะเพราะไประแวงกันและกันแล้วในที่สุดก็อาจจะลงมือเบียดเบียดกัน มันก็เดินไปอย่างเงี้ยก็แล้วแต่จะกําหนดอย่างไหนผู้นี้จึงเป็นปัจจัยของกันรละกันเขาเรียกว่าอากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลธรรมอกุศลธรรมอย่างอื่นถ้ายังไม่บังเกิดก็จะบังเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเหตุดานก็ให้ล่าเสียทีนี้พู้อกุศลพระชายาผกุศลกระบอกก็ร ง, งกันข้ามคือหมายความเท่าก็เกิดสักข้อนี่ข้ออื่นก็เกิดด้วยอกุศลข้อต่างๆมันก็ไม่ปรากฏ ก็โคคนเลี้ยงโคคนนี้ในที่สุดมันก็เหมือนกับพวกเราพระหรือว่าพระองค์เองหรือใครก็ตามอะฮะตอนนั้นพระองค์ยังไม่เป็นพระภยารับสั่งว่าถึงภิกษุก็เพียงแต่ทำความระลึกว่านั่นทำทั้งหลายดังนี้ก็พอละเหมือนกันจากนั้นก็ทรงสรุปนะฮะ สรุปถึงสภาพจิตตรงนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอันนี้ยังอยู่ระดับความสมถะกรรมฐ า, านอยู่ดี๋ยพยายามเจริญกุศลเพื่อละอกุศลอยู่เดี๋ยวก็รับสั่งเล่าว่ภาภิกษุทั้งหลายความเพียรเราได้ปรารบแล้วไม่ย่อหย่อนสติเราได้รำรงไว้แล้วไม่ฟั่นเฟือนกายสงบประงับไม่กระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียว แล้วภิกษุทั้งหลายเรานั้นพระสงัดจากกา ร, รสงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายได้เข้าถึงปฐมฌานก็ว่าไปเรื่อยนะฮะทีนี้อธิบายอธิบายพวกสัมมาสมาธิซึ่งตรงนี้ที่ ท, ท, ที่อาตมาต้องการจะนำท่านผู้ฟังมาดูตรงนี้ให้มันทุกแง่ทุกมุมอย่งายทงาที่รับสั่งเล่าไว้เนี่ยรับสั่งเล่าเล่าเรื่องอะไรบ้าง เพื่อต้องการไปยืนยันที่ตอนพระพุทธเจ้าศัสรูที่พวกนักปรารถุรุ่นใหม่นี่เก่งกันเหลือเกินนะฮะไปบอกว่านางตัญหาราคาราตีที่มาประโจนพระพุทธเจ้านั้นก็ที่จริงก็คือกิเลสภายในพระไถ่ของพระองค์นั่นเองเพื่อต้องการให้ดวงพระเจ้าในสงบจากอากุศลบาปธรรมมาตลอดตั้งแต่โนท์นมาแล้วนะเพราะสงัดจากการมและอกุศลนัธรรมทั้งหลาย พาถึงปฐมวมชารมีวิตกวิจารปีตีสุขเกิดแต่วิเวกแล้วและอยู่ ก, ก, ก็ก็เหมือนกันฮนะคือหมายความว่าพอม า, าถึงจุดนั้นเนี่ยมันสงบหมดอนะพวกนิวรณนะ์มันสงบหมดแล้วกิเลสประเภทจะเรียกว่านิวรณ์สงบหมดแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่พระโพธิสัตว์ก้าวขึ้นไปประทับนั่งภายใต้ต้นอสัตถพฤกนั้นไม่มีกิเลสปรากฏภายในพระทัยแล้วนะ และทุกขั้นตอนในจะไปลงอย่างนี้ตลอดเงียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นทรงคิดในเรื่องอะไรแต่นั้นเองเพราะอะเพราะว่าพวกรูปปัจชานรูปปัจชานเนี่ยทรงชำนาญมาตั้งแต่สำนักอาราบทกาลามาโคตอุตการาบรุตรอบุตรก็เรียกขนาดประมาจานนะนะหรือสองท่านนั้นก็ขอให้พระโพธิสัตว์อยู่แล้วก็ช่วยเป็นครูสอนให้แก่สิทธิ์สยานุสิทธิ์ของท่าน แต่ว่าพระโพ ธ, ธิสัต์ก็ไม่รับในประเด็นตรงนี้เพราะหลักการตรงนี้เป็นเป็นมรคควิชีพระพุทธเจ้าท่านเดินให้ดูแล้วก็นํามาเล่าให้ฟังนะตอนนั้นพูดระดับฌานไม่ใช่พูดระดับศัตรูเป็นการพูดถึงระดับฌานนะั้นไปไปไปบางทีก็ไปถึงอรูปฌานบางทีก็ไม่ถึงก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนบางทีเราก็สังเกตได้นะสังเกตได้ว่าเอออันนี้น่าจะก่อด น, นอน เพราะว่าพูดไปแค่รูปประชานแต่นั้นเองบางทีก็ไปถึงอรูปประชานด้วยก็แสดงว่ากระืนต่อแต่อย่าลืมว่าภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามีวัด ส, สีคือจำนานในการนึกจำนาญในการเข้าจำนานในการอยู่จำนานในการออกจำนานในการพิจารณนท่าชจำนานหมดเหมือนเหมือนกับอะไรล่ะคล้ายๆกับว่าเราเรียนจบ สมมติว่าเราเรียนจบสมัยนี้เด็กเรียนจบป .6 แล้วแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศได้สักสิบปีนะฮะถามว่าลืมภาษาไทยไหมไม่ลืมหรอกครมาถึงก็พูดได้แม้เราจะไม่ได้พูดภาษาไทยมาเลยมาถึงก็พูดได้หรือว่าเหมือนกับภาษาถิ่นนะฮะอย่างคนทางใต้มาอยู่นก่อนๆนี้ยังเจอนายพลคนหนึ่งเขาเก่งพูดภาษาใต้แบบภาษาโบราณนะ่ะฮะ ภาษากบเก่าอาตมาเองฟังแล้วยังงงเลยเพราะเราไม่เข้าใจลึกซึ้งขนาดนั้นเนื่องจากเรามีประสบการณ์ทางภาษาเนี่ยไม่มากก็อยู่ในแวดวงแวดวงาาไม่ค่อยกว้างตัส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กวัดเป็นเนรนะฮะคืออยู่ในที่แคบๆท่านบอกว่าท่านมาอยู่กรุงเทพตัง้งแต่เด็กๆแล้วพอแก่ขึ้นมาภาษาบังกลับ คือก็ชอบพูดภาษาตายนันก็แสดงให้เห็นด้วยว่าพวกเหล่านี้ยมันเหมือนกับผลจากสมาธิเนี่ยผู้ดีเขาเรียกว่ากุปปาธรรมคือกําเริบได้นะฮะาำปกติกําเริบตายเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเมื่อต้องการจะดึงกลับมาก็ดึงกลับมาได้ประเด็นหลักตรงนี้ก็คืออะไรก็คือความเพียรที่ได้ประรกไม่ย่อหย่อนคือความเพียรที่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าอารรถภวิริโยเวหาติ เป็นการอยู่ด้วยความเพียรที่ต่อเ น, นื่องแล้วก็สติก็หนักแน่นมั่นคงไม่ควันเฟื่อนกายก็สงบไม่กระสับกระส่ายก็เรียกว่าปัจติเป็นทั้งกายทั้งจิตเนี่ยก็เรียกปัจติถ้าเรียกในโพชงนะก็เรียกปัจติจิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวคือเป็นเอกะกะตาเป็นตัวสมาธิและพระไทยก็สงัด สงัดไปได้ด้วยนะะแล้วใครก็ตามก็เดินมาแล้วเจออย่างนี้เหมือนกันนั่นเป็นการแสดงว่าตอนที่พระโพธิสัตว์ท่านเสด็จขึ้นไปประทับไปใต้ต้นอสัตถพฤกเนี่ยสมมติประเทศไทยเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์นต์แล้วถ้าไม่งั้นมือขนาดนี้ไม่ไปอธิษฐานอย่างนั้นหรอกเพราะมืออย่างพระโพธิสัตว์ที่อธิษฐานแล้วต้องทําตามอธิษฐานนะไม่งั้นไม่ได้ไม่ไม่มีทางคือสัจจะนหนักแน่นมันคงตายเป็นตายเลย เป็นคนที่รักษาสัจจะสุดๆที่มนุษย์สามารถจะรักษาได้นะเพราะงั้นพระโพธิสัตว์อะไรเนี่ยจะมีปัญญาอยู่ตลอดเห็นไหมว่าก่อนที่จะตัดสินพระไทยสเสด็จออกผนวชเราก็ใช้ปัญญามองรอบครอบรอ บ, รอบด้านแล้วแนพระไทยเด็ดเดี่ยวต้องสเสด็จออกผนวดสาทุโขปปะชาบทนี้ดีนักแลยเลยพยายามห้ามก็ไม่ฟัง แล้วก็มั่นประไทยนะฮะตรงนี้ที่จริงยังมีเรื่องที่เสริมเรื่องให้มั่นประไทยแต่ว่าก็คงพูดกันอีกหลายตอนเพราะอย่างที่บอกไว้เนี่ยก็ อ, อยากให้ดูตรงนี้คือมาอาม า, ม, า, ม, ามองถึงว่าเราไม่มีทุนน่นะฮะตอนนี้ก็ส่งลูกศิษย์ไปทำปยาเอกทางภาษาสันสกฤตก็อยากให้เขาไปทำรรปยาเอกว่าหาความจำนานได้มากแต่ถ้าไม่ตายซะก่อนเนะยยังนึกว่าจะ สั่งซื้อคำพีพระเวสวบสศส น, นกักฤษตมาเลยแล้วก็ระดมมือสนรกกิตชั้นดีเนี่ยมาแปลแปลจากตัวสนรกกิตแต่อย่าแปลจากอังกฤษเพราะว่าอังกฤษพรั่งมาทิม้มแปลเพี้ยนไปเยอะเลยและเรามองให้เห็นเป็นกระบวนการของคำสอนที่มันปรับเปลี่ยนมาพระพุทธเจ้าปฏิรูปยังไงปฏิบัติยังไงรับรองหลักการตรงไหนแล้วก็อะไรที่เป็น สัตวรูปรุนล้วนเลยไม่ปรากฏในพระเวทดูเลยเนี่ยเพื่อให้ชัดเจนถึงถึงถึงกระบวนการนะทีนี้ถ้าถ้าเราเรียนในแนวในแนวของการตัดตอนเราก็ไม่ชัดเจนในรูปกระบวนการก็เรียกว่าตรงนี้ก็ช้าเป็นการนานเป็นคุณคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเส้นทางไม่ใช่ไปคิดจะมาอธิบายตรงนี้เป็นทางเดินแต่ว่าเดินค่อนข้างจะ ชินกชมไม้ให้รายละเอียดไปเรื่อยนะฮะแล้วก็มีทั้งเรื่องมีทั้งธรรมะผสมปนเปนกันไปทุกฟังทันหลายแต่ร่งประบทยญาณในวันนี้ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง อ, อกงามไปบูรณนธรรมจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทันหลายดูยทั่วกันสวัสดี